เราค่อยๆลำดับในการทำความเข้าใจไปแล้วเราก็จะเริ่มยกตัวอย่างหลังจากเข้าใจสภาวธรรมแล้วต่อไปก็จะยกตัวอย่างเรื่องบุคคลสถานที่ว่าในขณะที่ยกตัวอย่างเช่นถ้ากรณีที่เห็นรูปแล้วมีเจตนาในการปรุงแต่งรูปเนี่ย เออมันสำเร็จลงเป็นกรรมยังไงได้ยินเสียงวีเจตนาปรุงแต่งเสียงสำเร็จเป็นกรรมยังไง เ, เนี่ยเนี่ยก็ค่อยไล่ไปมันก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นพอพอเข้าใจการปรุงแต่งของเขาแล้วต่อไปก็ยกเรื่องพระสูตรเรื่องบุคคลที่ทํากรรมอย่างนี้ได้รับอย่างนี้เอ อ, อนนเนี่ยเนี่ยก็ค่อยยกไปอีกเนี้ยมันจะเริ่มเห็นภาพจากละเอียดก็เข้าไปภาพห ย, ย, ยาบขึ้นแล้วก็กลับลงมาละเอียดใหม่ขึ้นไปหยาบใหม่แบบนี้ ย้อนไปย้อนก็ก็จะเห็นความหมายความมุ่งหมายของเจตนาได้ชัดขึ้นเนาะแต่ก็ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของในพระพุทธศาสนาก่อนตรงนี้กรรมเนี่ยพระพูดถึงในเรื่องของกรรมก็เป็นกฎเป็นกฎหนึ่งในกฎของธรรมชาติเลยก็เรียกกฎแห่งกรรมเคยได้ยินคำนี้ไหม ทีนี้กฎธรรมชาติหรือนิยามเนี่ยมีลักษณะที่ทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดก็คือความเป็นไปตามธรรมดาของเหตุปัจจัยก็แยกออกเป็นนิยามห้าเขาไว้ในนิยามห้าเนี่ยก็มีหนึ่งเขาเรียกว่ากฎอัตถกถาท่านเรียกว่ากฎธรรมชาติความในกฎธรรมชาติหรือนิยามหประการหนึ่ง อุตุนิยามเคยได้ยินไหมก็คือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับปรากฏการฝ่ายวัตถุโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุเช่นลมฟ้าอากาศฤดูกาลฝนตกฟ้าร้องการที่ดอกไม้ในบานในเวลากลางวันหุบกลางคืนการที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยต้นไม้งามการที่คนไอหรือคนจามการที่สิ่งทั้งหลายมีการผุพังเปลือยเน่าเป็นธรรมดาเหล่าเนี้ยความคิด ท่านมุ่งถึงการผันแปรที่เนื่องด้วยความร้อนและอุณหภูมิต่างหลายนี่เป็นอุตุนิยามตอนนี้เราก็ได้รับสิธิผลได้รับผลของอุตุนิยามอยู่ช่วงนี้ก็คือความหนาวมันพัดผันผ่านเข้ามาก็ทำให้อุตุจากที่ร้อนก็กลายเป็นเย็นลงหนาวลงมาเนี่ยอันนี้เป็นกฎเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่เป็นกฎเป็นกฎธรรมชาตินี่เป็นความแน่นอนเป็นหนึ่งกฎซึ่งก็สัมพันธ์กับความเป็นไปของมนุษย์ แล้วก็จะเห็นชัดนะมองเห็นยังประการต่อมาก็พีชานิยามพีชานิยามเนี่ยก็แปลว่ากฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือเรียกว่าพันธุ ก, กรรมก็ได้เช่นหลักความจริงที่เรียกว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้ น, นหวานพืชเช่นมะม่วงก็ออกมาเป็นมะม่วงนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เป็นพีชานิยามกฎพันธุกรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยเป็นต้นเป็นพีชานิยามหมดเลยใครเป็นลูกของใคร มีผิวพันธุ์ออกมาอย่างไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นพันธุกรรมออกมาอย่างไรเป็นฝรั่งเป็นอเมริกาเป็นออสเตรเลียเป็นแขกเป็นจีนอะไรเงี้ยนะก็จะมีพันธุกรรมของตนเองออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นกฎตายตัวเหมือนกันเป็นกฎความแน่นอนของนิยามนั้นนั้นนี่กฎที่สองที่เราจะต้องรู้และเข้าใจทีนี้เจาะเข้ามาถึงในเรื่องของด้าน จ, จิตใจ กจิตแต่นิยามเคยได้ยินไหมกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการทำงานของจิตเมื่ออารมณ์หรือสิ่งเร้ามากระทบกบภาศาสตรก็จะมีการรับรู้เกิดขึ้นจิตก็จะทำงานอย่างไรมีการไหวจากผวังข้าจิตปกติเนี่ยจิตจะลงผวงังใช่ไหมเข้าใจคาว่าผวังไหมผวังขระจิตก็ว่าจิ ต, จตที่ ปกติมนุษย์เราถ้าไม่ได้คิดเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยจะลงผวังไอ้ตัวผวังจะเป็นตัวรักษากระแสชีวิตไว้ไม่มันขาดเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยหยุดการสืบต่อเมื่อไหรน่นะในอัตภาพนี้เมื่อไหร่แปลว่าตายจดติมันเกิดทันทีก็คือตายก็ปฏิสนธิใช่ไแต่ทีนี้เวลาเราหยุดคิดแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีการลงสู่ผวัง จิตไม่ขาดต่อมันหยุดคิดเรื่องนี้จริงแต่มีพวังมาสืบต่อไอ้วังก็จิตที่สืบต่อเนี่ยเพื่อจะรักษากระแสะชีวิตไว้ไม่ขาดสำคัญไหมนี่แหละกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยมันจะกลายเป็นพวังเรื่อยไปทีนี้มามีสิ่งเร่ามากระทบทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้ทางใจเกิดดํามิจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไหว ไหวเนี่ยสั่นสันทิ้งผวังแล้วกลับมาเกิดเป็นวิถีจิตต่อเกิดดับเกิด <c oughs> ดับเกิดดับกิดดับสืบต่ออย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละกระบวนชีวิตเนี่ยคุณจะรู้หรือไม่รู้มันเป็นอย่างเงี้ยพอมันคิดเรื่องนี้ไปปุป๊บปุป๊สักพักหนึ่งปุ๊บมันหยุดการคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเนี่ยใ น, นมันหมดกระบวนการการคิดปุ๊บก็ลงสืบลงผวังต่อไปเป็นผวังเกิดดับสืบต่อรักษากระแสชีวิตไม่ขาดไปถ้าไม่มีตัวนี้มาสืบต่อแปลว่าอะไรจุติตายประฏิใในพหม่ นี่ขนาดนี้เลยเนี่ยชีวิตเราเสี่ยงกันอย่างนี้ตลอดเวลากระบวนการของกลุ่มจิตแตนิยามกลามเป็นไปของจิตเนี่ยเขาทํางานของเขาอย่างนี้ตลอดถ้าสิ่งเร้ามากระทบทางตาตาปุ๊บจิตเห็นทําหน้าที่ปุ๊ บ, บ, บแล้วก็เสพอารมณ์ในการเห็นผู้หยุดขึ้นมาปุ๊บลงผวังต่อถ้าสิ่งเร้ามากระทบทางตาหูปุ๊บจิตได้ยินเกิดทําหน้าที่ปพอทำหน้าที่ปุ๊บเสพอารมณ์ต่อแล้วก็ลงสู่ผวังเนี่ยรักษารักษาไม่ให้ขาดช่วงไม่ให้กระแสชีวิตขาด เป็นไปตามอำนาจของจิตตนิยามแบบนี้ต้องขอบคุณผวังกับจิตไหมเขาทําเขาอยู่แล้วหน้าที่ของาทำปปุ๊บปุ๊ปปสืบต่อเนี่ยถ้าสิ่งเร้ามากระทบทางทวารจะโหมปุ๊บเขาก็รับอารมณ์ทางทวารจะโหมปุ๊บเสร็จกิจ ต, ตรงนั้นปุ๊บก็พวางสืบต่อเกิดตามสืบต่อรักษาชีวิตไว้รักษากระแสขันไว้รักษาพบไว้รักษาชีวิตไว้ก็ว่ากันไปก็เรียกผวังกับจิตในขณะที่ผวังกับจิตเกิดขึ้นเรารู้หรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไหม าถามพวกเราหน่อยพวกเราเป็นกลุ่มใช้ผวังเปลืองหรือไม่เปลืองเปลืองั้มคนที่มีผวังยาวๆก็จะเป็นคนที่คิดอะไรช้าคิดอะไรช้าเพราะว่าพอคิดอะไรนิดหน่อยก็ลงผวังก็ยาวลากยาวไปกลัวจะคิดอะไรก็ต้องมีสิ่งเล่ามากระทบอีกทีพอคิดได้นิดหน่อยก็ลงผวังยาวไปงี้นะ ก็อยู่ได้เหมือนกันฉะนั้นมนุษย์จะใช้ผวังมากก็ได้จะใช้ผวังน้อยก็ได้อยู่ที่เจตจำนงและความจงใจที่ตั้งใจจะใช้อยากจะอยู่กับผวังนานๆไหมก็อย่าไปคิดอะไรมากฟังอะไรก็เพลินๆก็ปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปเวลาสิ่งร้าวมากระทบทางทวารลิ้น ก็คิดในเรื่องเทวันลิบปิดพอจบปุ๊บ ก, ก็ลงผวังต่อมันจะมีการสืบต่อลงผวังเป็นระยะระยะระยะไอ้ตัวผวังก็จะรักษาก็จะมีว่าเนี่ยกระบวนการของผวังพอขาดตอนปุ๊บแล้วก็มีอวชนะแล้วก็มีการเห็นอวชนะก็คือพิจารณาอารมณ์ปุ๊บถ้าสิ่งเร้ามากระทบทางตาตานะีปุ๊บจากการเป็นผวังก็ไหวเลยไหวไหทิ้งผวังปุ๊บมาอาวชนะเห็นพอเห็นปุ๊บเขาก็ทําล้วทำที่เห็น ทำหน้าที่รับอารมณ์ทําหน้าที่ไต่สวนนืพิจารณาอารมณ์ทำหน้าที่ตัดสินทำหน้าที่เสพอารมณ์ปุ๊บรับอารมณ์ต่อจากการเห็นปุ๊บลงผวังต่อแล้วก็หมุนอาจจะเห็นต่ออีกเห็นต่ออีกเห็นต่ออีกหมุนอีกหลายรอบแต่ก็ลงผวังทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเห็นการที่ขณาดจิตหมดกระบวนการความคิดนั้นก็ลงผวังสืบต่อสืบต่อ แต่อาจจะลงยาวลงสั้นไม่เหมือนกันอยู่ที่ความตั้งใจถ้าสิ่งไหนที่มันตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจโอ้ลงนิดเดียวรีบขึ้นมาดูต่อลงนิดเดียวรีบขึ้นมาดูมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> นาภาพไม่ให้ดูนี่ผู้ที่เรากินจินตนาการตามไปเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่คือกระบวนการของชีวิตมันเป็นแบบนี้งั้นกระบวนการของชีวิตมันไม่เคยหยุดนิ่งในตัวมันเองเลยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกจิตตนิยาม จิตทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่รู้กินทำหน้าที่รู้รสทำหน้าที่รู้สัมผัสทำหน้าที่รับอารมณ์ทำหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ทำหน้าที่เสพอารมณ์ทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากการเห็นการได้ยินแล้วก็ลงผวังต่อแล้วก็ขึ้นมาสืบต่อใหม่เป็นอยู่อย่างเนี้กระแสของจิตตะนิยามเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนถ้ากลางคืนก็เอาลงสู่ผวังก็ยาวหน่อยถ้ามีอะไรสิ่งเล่ามากระทบเพราะกรติกตึงมาฝันบ้าง งวงเงียงวงเงียบางก็ต่อยาวไปไงเนี้ยตามจํานวนที่เราตั้งใจไว้จะเอาเท่าไหร่ดีตอนเนี้ยคืนนี้จะเอาผวังกี่ชั่วโมงตั้งใจนินยอมผวังกี่ชั่วโมงขอสามโทมไปผมจะรักผมจะอยู่กับผวังแล้วมีความสุขเอาระหว่างการอยู่กับผวังกับอยู่กับสมาธิอันไหนอันไหนได้บุญมากกว่ากันฮะ ผวังเนี่ยเป็นกุศลและจิตหรืออกุศลและจิตหรือเป็นวิบากจิตให้ให้ผลเป็นผลเป็นผลผวังเป็นผลใช่ไหมเป็นวิบากนั้นผวังไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นวิบากผวังของเราเนี่ยเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลผวังของเราเนี่ยเป็นผลของกุศลหรืออกุศล เป็นผลของกุศลหรืออกุศลเออทำไมจึงเป็นผลของกุศลฮะทำไมจึงเป็นผลของกุศลเป็นผลของกุศลละการรมหรืออกุศลละการรมเพราะอะไร ถ้าหากะวังของสุนัขเป็นผลของกุศลกรรมเรื่องกุศลกรรม ต, ต, ต้องดูด้วยเห็นว่าจริงๆคือต้องรู้ว่าทีนี้ตัวผวังของแต่ละบุคคลเนี่ยนะตัวผวังของแต่ละบุคคลมาจากกรรมที่ต่างกันมาจากเขตที่ต่างกันทีนี้มาจากเขตที่ต่างกันมาจากกุศลประเภทที่ต่างกันด้วย อาจจะ ก, การให้ทานเหมือนกันมาจากทานกุศลเหมือนกันศีลกุศลเหมือนกันภาวนาวกุศลเหมือนกันก็แล้วแต่แต่คุณภาพของตัวเบาวังกัจิตเนี่ยมีคุณภาพนั้นต่างกันตามเหตุปัจจัยมันเหมือนว่าอะไหล่ของรถเบนซ์ ben, อะไหล่ของรถวันโวอะไหล่ของรถบ m อมอะไหล่ของรถโตโย t a ามาสด้า เ, เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอะไหล่เหมือนกันนั่นแหละแต่คุณภาพเท่ากันไหมเออนั่นแหละ ไอ้วิบากของผลของกุศลของคนเราที่สั่งสมมาจึงไม่เท่ากันบางคนได้วิบากเป็นมนุษย์กับเขามาเหมือนกันโอ้โหต้องซ่อมบำรุงตลอดเลยตห็นจบนิดหน่อยก็ไม่ได้โอ้ต้องซ่อมแล้วบำรุงแล้วบำรุงอีกนะทีนี้พวังของบุคคลบางคนเขามีคุณภาพดีมาก มีคุณภาพดีถึงขนาดว่าเป็นติเหตุกปะปฏิสนธิเคยได้ยินคํานี้ไหมเกิดมาพร้อมทุกความได้ไม่โลภความไม่โกรธมาพราะนี่ปัญญาแข็งแรงมากเลยเพื่อติเหตุเหตุสามเลยนั้นถ้าหากได้รวังได้คุณภาพประเภทนี้มาโอ้โหเวลามาศึกษาเรียนรู้อะไรนี่เร็วมากเลยฟังนิดเดียวนี่ยป๊อปป๊อมีฐานถามเดิมดีใช้ความเพียรไม่ต้องมากบางคนนี่โอ้โหเพี้ยนแล้วอย่นี้ นี่คือความต่างไอจุดตรงนี้จุดที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจมาที่ต่างกันได้ได้จักขุประสาทมาต่างกันจักขูวิญญาณที่ต่างกันโสตประสาทต่างกันโสตวิญญาณที่ต่างกันคณะประสาทต่างกันคณะวิญญาณก็ต่างกันชิวหาประสาทที่ต่างกันชิวหาวิญญาณก็ต่างกันกายยะประสาทต่างกันกายยะวิญญาณต่างกันแล้วได้พวางได้มโนเนี่ยมโนทวารเนี่ยไอตัวผวางกับจิตจะต่างกันนี่ คําว่าต่างก็คือมันได้มาจากคุณภาพของกรรมที่มันมีกําลังละเอียดอ่อนประณีตถ้าระดับจากประสาทจากขู่ประสาทเซลตประสาทคณะประสาทที่ว่างประสาทกายยาปรสาทัตถวัตถุของพระพุทธเจา้าพร้อมจากขู่อวญาณเซลตวิญญาณคณวิญญาณทีวา่างวิญญาณกายยาวิญญาณมนโนผวังมโนเพราะว่ามโนมโ น, ม น, ม น, ม น, มนทวันงูพุทธเจ้าเนี่ยกับของเราเนี่ยโหเทียบกันไม่ได้เลยทำไมเทียบ้คุณภาพต่างกันอย่างนี้เพราะมาจากกําลังของกุศลที่มีความละเอียดอ่อนหนาแน่น กลับมาจากกำลังกุศลที่มันปานกลางกุศลที่หยาบหยาบเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นการที่เราได้มานี่เป็นผลของกรรมเก่านี่เป็นผลของกรรมเก่าที่มันได้มาแล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันโอเคเดี่ได้ความโอเคจุดฉะนั้นจุดตรงนี้มนุษย์จึงต้องเพียรพยายามบางคนอาจจะต้องเพียรมากเพียร น, น้อยที่ต่างกันคือตรงนี้ตรงที่ว่าคุณภาพนี่แหละ ถ้าเราได้อะไรที่มาดีๆทั้งหลายเนี่ยโอ้โหสมบุกสมบันได้ไม่ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าได้อะไรที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายนี่ก็ใช้กันอย่างถนอมหน่อยก็แล้วพอมองเห็นไหมเออเนี่ยคือคนใภาพเน้นในด้านของจิตตนิยามไอตอนจิตตนิยามเนี่ยทั้งตัวจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นทั้งหลายวันนี้เป็นต้นตลอดถึงกลุ่มชาวนะแล้วก็ รวังกัจิตจิตที่รักษากระแสชีวิตเรียกว่ารักษาอะไรนะรวังรักษาภพวะนั้นทําไมจึงแปลว่ารักษาพพก็คือรักษาให้ชีวิตนี้ดําเนินไปอยู่เป็นไปอยู่ตามความสามารถของระวังของจิตประเภทนี้และยังไม่ให้เปลี่ยนพพไป ก, ก่อนตราบเท่าที่กรรมนั้นยังมีกําลังอยู่คุณภาพของกรรมนั้นมีกําลังอยู่เขาก็เกิดดับสืบต่อทําให้ไม่ตาย ทำให้ไม่ตายว่างั้นเลเราก็เปลี่ยนตลอดมันหวาดเสียวทนะั้งชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วนี่ะมันจะจุตติเมื่อไหร่ก็ได้หาความแน่นอนไม่ได้เลยแต่ว่าเนี่ยต้องขอบคุณผวังที่ทําให้รักษากระแสะชีวิตเราได้มีศึกษาเราได้มีโอกาสใช้วิบากที่มีเหลืออยู่ศึกษาพระธรรมให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมถ้าเขาแปลเปลี่ยนเป็นจุตติกิจกรรมจบทันทีเนี่ยเอาลองสักคนหนึ่งตายเอาตอนเนี้ย แค่ตายคนเดียวเนี่ยน่าจะหยุดเรียนกันเลยนะบวกเราเนี่ยใช่ไหมยหยุดศึกษาธรรมะเลยนเนี่ยเนี่ยถ้าเจ้านิลตายโอ้โหเป็นเรื่องอะไรเนี่ยต้องส่งศพกลับบ้านต้องอะไรต่างๆอเนี้ยเรื่องงานใหญ่เลยเนะยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยพอมันผวางเปลี่ยนเป็นจุติปบขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเผาทิ้งอะแล้วจะไปเผาตรงนี้ทิ้งก็ไม่ยอมอีญาติเนี่ยมีปัญหาเยอะ เงินเป็นอย่างนี้มนุษย์จะมีเงินไขไม่เหมือนโบราณเนี่ยโบราณไม่ต้องไปมีอ่อะไรนะั้นใบมรณบัตรไปตรงนี้แล้อ้าวตายแล้วตายแล้วก็รีบแบกกันไปตรงไหนเป็นที่ทิ้งศพก็ไปทิ้งทิ้ ง, งก็กลับมาก็ทํากิจกรรมกันต่อไปก็ทําแค่นี้แหละแต่ทุกวันนี้โอ้โหต้องไปแจ้งภายในยี่บสี่ชั่วโมงเอาใบมรณบัตรมาตายในโลกอะไรอวามาชันศพอีกตายก็ให้นอนอยู่ตรงนี้แหละใครไปถูกเนื้อต้องตัวก็ไม่ได้อีกกูมันน่าลาบากตรงเนี้ย ต้องไปแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือตำตํ า, า, ารวจมามาดูชนะสูตรไม่มาซะอีกแล้วถ้าวันนี้ไม่มาก็รอเน่าขึ้นอีกแล้วเนี่ยก็บอกขนาดในในเรือนจําก็เป็นแบบนี้ในเรือนจํานอนกันอยู่ใช่ไหมนอนกันอยู่เออพอเอนะั้นเป็นวันเสาร์ไอเจ้านี้ตายวันเสาร์ย้ายศพไม่ได้อ้าวที่นอนก็ต้องนอนด้วยกันใครนอนกับศบก็นอนอยู่ติดตัวศพก็ต้องนอนตรงนั้นไม่นอนก็ไม่มีที่ มันนอนมันเต็มหมดห้องนี้สาสิบคนสี่สิบคนห้าสิบคนก็นอนอยู่อย่างงั้นนี่มันมันมันก็อักกระอ่วนเงี้ยแจ้งเข้าไปแล้วก็ติดวันเสาร์เขาไม่มาวันอาทิตย์ก็ยังไม่มาต้องวันจันทร์วันจันทร์ต้องแต่เท่าไหร่เก้าโมงตำรวจมันจะเน่าแล้วย้อนนี้จะเน่าแล้วเคลื่อนย้ายไม่ได้ตำรวจยังไม่มาชันนัดสศพนี่ไงเงื่อนไขของชีวิตมันมีเยอะหมดไม่ต้อง ันจับทิ้งไปเลยนี่เป็นอย่า ง, างนี้นะพอมันตายก็แต่นานข็แ ต, นนขแต่นี้แท็กแล้วใช่ไหมไม่ใหม่ก็ไม่เหม็นแนละ้วก็ปากเริ่มอากินแล้วก็เริ่มออกมายากนะทำไงทีนี้เออคือไม่นอนได้ไหมไม่ได้ถูกเกียนปลายเข้าที่นอนคนนอนไกลๆก็เพราะว่าไอ้เจ้านิ่นนั้นตาย พูดแค่นี้แล้วเราเห็นความทุกข์กันไ้ยเนี่ยเห็นไหมรักกันปันจะกืนกินเนี่ยแต่อย่าตายนะขอร้องอย่าตายถ้าตายกันมาเนี่ยวิ่งผ่านแลวใช่ไหมหมดเลยไหมหมดรักเดี๋ยวนั้นเลยั้ยหมดไม่หมดแล้วอยู่อย่างคนหลงไปไหนเนี่ยอยู่ด้วยกันแวแบๆตรงนี้กระแสะชีวิตเนี่ยแล้วสืบต่อไปไหนพอพะวังขาดแล้ว พะวังทำหน้าที่จุติตายแล้วไปไหนต่อไม่รู้เลยจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้เป็นเปรตก็ไม่รู้อสุรกายก็ไม่รู้เป็นมนุษย์กลุ่มไหนเผ่าไหนพันไหนก็ไม่รู้เป็นเทวดากลุ่มไหนพันไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอยู่กันอย่างหลงอยู่อย่างโมหะกินเนี่ยแต่กว่าลา ก, กันเดบตายเนี่ยอย่าตายนถ้าตายแล้วมันหมดเลยนั่นเนี่ยหมดเลยไม่รียบตามกันยังไงมองเห็นยัง เคยเจอสถานการณ์นี้มาแล้วใช่ไหมล่ะไอตอนที่ยังไม่ตายก็ยื้อกันหน่อยยื้่ยืยื้่ยืยยไม่ไหวขาดปึ๊ดไปอหมดแล้วร้องไห้เพ้บเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยรู้เห็นเราไหมเอาคิดเลยก็อยู่กับจินตนาการอยู่ในใจอะไรแต่เนี้ยไอเจ้านั้นอยู่ในใจแล้วเอาออกไม่ได้อีกแต่เนี้ยปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยลืมก็ไม่ลงเคยเป็นแม่โรคนี้โรคลืมไม่ลง ก็จินตนาการออกมาวิ่งไปไม่เจอเขาแล้วแต่เขาอยู่ในความทรงจำํำใจเก็บไว้เก็บความทรงจํานั้นไว้นักเข้านักเข้าเพราะนานเข้าถูกเรื่องอื่นทับถมรูปเสียงกลิ่นรสผดภทภพ่ะธรรมารมณเรื่องราวต่างๆทับทับทับทับทับทบลืมแล้วหาไม่เจอแล้วเดีนี้คิดไปเฉยๆ ทุกใหม่ทับถมทุกเก่าสุขใหม่ทับถมสุกเก่าสัตว์โลกเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนี่คือกระแสะชีวิตนี่คือจิตนิยามันเป็นแบบนี้มันมีอะไรจีหลังยั่งยืนไหมแบบนี้มันเปลี่ยนไปอย่างเนี้แล้วถ้าเรามีโมหะเราก็ไปหาใหม่หาบุคคลใหม่ หาหาคนร่วมทำกรรมกันใหม่เนี่ยเป็นไปอย่างนี้ตลอดถ้าไปเจอคนดีเจอกัลยาณมิตรโอ้โหเป็นบุญไปเลยเลยตอนนี้เขาถึงบอกว่าโอ้โหโอกาสถ้าเจอคนดีเจอกัลยาณมิตรเขาถึงรีบเร่งเลยไหมโอ้นี่ยนีอันนี้แค่แล้นแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยเราก็นึกว่าใครที่เข้ากับเราได้อะเข้ากับกีเดตเราได้นะเรียกว่ามิตรแท้ มัวหมดเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพากันทําบาปก็ไม่รู้ทําบุญก็ไม่รู้แยกบุญแย ก, บ, แยกบาปก็ไม่ได้ว่างั้นเถอะเพียงแต่ว่าคอยให้หยิบอะไรทั้งให้เรากินอะไรนั้นเนี่ยก็หิวช่วยไปหยิบมาให้หน่อยก็ก็หยิบให้เรากินแค่ น, นี้ยแต่บุญบาปแยกไม่ออกว่านี่เป็นกุศลนกุศลนี่นี่บุญนี่บาปนี่เป็นความดีความชั่วแยกไม่ออกเลยถ้าไปอยู่กับไอ้คนประเภทนี้ขึ้นมาจะขนาดไหนเนี่ยพากันจมอีกไอ้ที่ว่าเราแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยเราไปอยู่กับไอ้คนประเภทนี้ดูที เดี๋ยวก็เลอะเรือนอีกนะข้าวนะข้ า, ก, าก็พาละม่วนอีกพาฉันต้งบอกอันตรายบางทีเราอุ้ยเราแข็งแรงอยู่แล้วคบกับใครก็ได้เจ๋งอยู่แล้วสมมติคิดว่าแน่ไหมคิดว่าเราเจ๋งไหมไม่ต้องไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมไม่ต้องอาศัยกัญยาณมิตรเราสามารถมีกําลังของโยนิโสมนสิการแข็งแรงมากระดับเอกโอเป็นระดับมหาบุรุษคนระดับมหาบุรุษมีสองกลุ่มเท่านั้นนะที่จะมีโยนิโสมแข็งแรงนะกลุ่มที่บําเพ็ญเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้า ห้าร้อยล้านคนจะาหาได้สักคนจะหาได้สักคนที่ยังมีกําลังโยนิโสโมาดนินการโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากระตุน้นที่ให้เกิดบุญเขาคิดได้อ่ะในสถานการณ์ที่คนที่กําลังฆ่ากันสถานการณ์ที่ปั่นป่วนสถานการณ์คนโง่เขาคิดให้ฉลาดเกิดขึ้นในใจเขาได้คนประเภทนี้ทั้งห้าร้อยล้านคนจะเจอได้สักคนถามว่าเรานี่บุญสุดๆไหมที่เจอพระเจ้าเนี่ย โอ้โหแสดงกําลังกุศลพวกเราไม่ธรรมดานเนี่ยแต่กําลังกุศลกําลังกติเหตุของเราไม่ธรรมดาแต่ปัจจุบันในเหตุของเราต่างหากที่เสียหายเรากลับไม่ขวนขวายในปัจจุบันในเหตุที่มันแข็งแรงตอนนะั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้มองเห็นยังไหมนั้นสรุปตรงนี้พูดถึงในเรื่องของจิตตนิยามเวลามันทับถมเนี่ยลืมนี่ผ่านมาตอนเด็กๆเลยลืมตอนเป็นหนุ่มสาวก็ลืมมัมันทับหมดแล้วสุขทุกข์ สุขทุกตอนเด็กๆสุขทุกตอนเป็นหนุ่มสาวสุขทุกตอนมีครอบครัวสุขทุกตอนอยู่กับคนรักสุขทุกการอยู่กับพ่อแม่สุขทุกการอยู่ใครสิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกทับถมทับถมมาได้รับสุขทุกปัจจุบันเนี่ยไปทับถมมันเก่าหมดจริงไม่จริงสุขใหม่ก็ทับถมสุขเก่าทุกใหม่ก็ทับถมทุกเก่าลองมาทุกตอนนี้ดูสิเนี่ยมันจะทุกมากสมมุติเนี่ยเดินเดินเดินเดินไปตูมล้มลงไปขาหัก ไอ้ทุกที่เคยผ่านมากับทุกกับปัจจุบันเนี่ยอะไรทับถมไอ้ทุกปัจจุบันนี่แหละวะ่างั้นเดอะขาหักร้องโอยโอยโอยอยู่นั่นแหละทุกมากเขาทิ้งฉันไปกับไอ้ทุกใหม่ที่ขาหักก็ในทุกเทกันไอ้ทุกขาหักนี่แหละวะ่างั้ น, นดีใจอันนี้ไปใจว่าโดนนะพูดให้เห็น พูดให้เห็นใช่ไหมนะมอง อ, อ, อย่างแล้วเราก็เลยมากเราก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาราบับเราวก่แเราเราคิดเงินหนึ่งแต่เราลืมคิดว่าเอ๊ะเขาจะมาถึงหรือเปล่าก็ไม่ไอ้มุมนี้บางทีเราไม่เคยคิดเลยนะอันนี้ไม่ได้ไปคิดแช่งอะไรกันนะเอ๊ะเขาจะมาถึงไมเนะีย กระแสะชีวิตมาเดินจากกันแล้วเนี่ยจะมีการโอกาสโคจรไปเจอกันอีกไหมเราไม่เคยคิดเลยนะเรานิดว่าเดี๋ยวก็เจอกันอีกแต่เชื่อไหมในบรรดาประชากรเจ็ดแปดพันล้านคนเนี่ยเวลาเวลาเดินจากกันไปปุ๊บเนี่ยที่ไม่ได้กลับมาเจอกันอีกมากไหมมากจริงๆริงทงที่เดินจากกันปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยเราเคยว่าเราเคยคิดถึงขนาดว่าเออเราจะจาก กับคนนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสมาเจอกันเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็ได้เราเคยคิดตรงนี้ทุกครั้งไหมทุกครั้งไหมฝึกคิดไว้เสีนี่คือความจริงในขณะที่เราโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งแล้วคุยเราอาจจะไม่อาจจะเป็นการคุยครั้งสุดท้ายก็ได้นี่คือความจริงของชีวิตเนี้ยไม่ใช่พูดให้กลัวแต่นั้นคือความจริง ในขณะที่เราบอกเออแม่หนูจะไปปฏิบัติธรรมนะนี่มันอาจจะเป็นประโยคสุดท้ายก็ได้ต่อไปเราอาจจะทราบข่าวอีกทีว่าแม่ไม่อยู่หรือเราไม่อยู่มันขนาดนั้นเลยชีวิตเนี่ยมันเหมือนการจากเป็นขนาดนั้นมันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่เชื่อไหมว่ากระแสของไอตัวจิตนิยามเนี่ยมันทับถมตลอดเลยมันเป็นเรื่องใหม่หมดตลอดเวลาเลยนะ เรื่องใหม่สถานการณ์ใหม่เหตุการณ์ใหม่ตลอดเวลาแต่เรานึกว่าเราก็พยายามจะยื้อมันบางอย่างยืมไม่อยู่ฉันเป็นคนที่มีทัศนคติต่อโลกผิดพลาดในเรื่องนี้มากฉันไม่อยากฉันไม่กลัวเออฉันกลัวไอฉันไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเพราะฉันรู้มันเปลี่ยนฉันก็ไปคิดหาวิธีว่าทํายังไงไม่ให้มันเปลี่ยน หาวิธีว่าทํายังไงจะไม่ให้มันเปลี่ยนจะไม่ให้คนนี้เปลี่ยนไปจากเราพยายามหาทุกอย่างเที่ยไหมเหนื่อยมากๆตั้งแต่เด็กๆแล้วที่สุดจริงๆเาคิดไปแล้วกลัวนีตอนเด็กเราหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวท่านผูนี้ต้องจากเราท่านวิ้นีต้องจากเราท่านวินี้จากามันก็กลายเป็นว่าเราจะจะรักใครสักคนมันก็เลยกักไว้เคยเป็นไหมเราไม่กล้าจะทุ่มสุดขีดเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันตายจากเราแน่นอน <c ười> เคยคิดมุมนี้ไว้ไหมแต่ก่อน เรารู้เนี่ยมันหลุดเน่ยหลุดแน่นอนเนี่ยแล้วมันสารการมันเปลี่ยนคําพูดก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนกระบวนการความคิดก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแล้วเราความสามารถไม่ถึงที่จะให้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีตอนนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมเรารู้เห็นไตรลักษณ์แต่เราไม่เข้าใจว่าเราจะทํายังไงให้ไตรลักษณ์มันมีพัฒนาการในสิ่งที่ดีขึ้นเช่นจากการที่เราปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติดีต่อการให้มันเป็นไตรลักษณ์ไปมันมั่นคงใช่ไหมไอ้ตรงนี้เราไม่รู้แต่ก่อนเราไม่รู้กระบวนการตรงเนี้ย เดีย๋ยวมาปัจจุบันเริ่มเดีรู้นิดๆแล้วเอาต่อไปเรื่องกรรมนิยามไอ้ตัวเนี้ยกฎตัวเนี้ยที่เรากําลังศึกษากันอยู่ตอนเนี้ย น, น่าจะต้องคุยเรื่องนี้กันไปยาวมากเนี่ยเรื่องกรรมมิยามเนี่ยเพราะเป็นเป็นหนึ่งในเก้าในห้ากฎกรรมมณยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นี่เป็นกระบวนการก่อการกระทําและการให้ผลของการได้รับผลการกระทํำนะหรือพูด จำพาะจาะลงไปก็คือกระบวนการแห่งเกียรติจำนงเนี่ยกระบวนการแห่งเกียรติจำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆพร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องเป็นไปในที่สอดคล้องกันเช่นกรรมดีมีผลดีกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่เป็นกฎกรรมนิยามทีนี้ไอ้ตัวกรรมนิยามเนี่ย ม, มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในจิตตนิยามใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่กรรมนิยามกับกจิต จิตแต่นิยามต่างกันตรงไหนอะไเนี่ยดูหน่อยนะต่างตรงไหนจิตแต่นิยามเนี่ยมันจะเป็นจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิน่นลิ้มรสมันทําหน้าทิ้งมันตลอดใช่ไหมแล้วกรรมนิยามอยู่ตรงไหนพราะกรรมนิยามไปอยู่ในกลุ่มโชนะจิตเป็นเจตนาที่อยู่ในโชนะที่เป็นกุศลแลกรมกลลกรมอกุศลกรรมก็เป็น หนในจิตตนิยามนะแต่เป็นหน่วยเป็นหน่วยที่มันเฉพาะเจาะจงเอาเฉพาะกลุ่มกุศลกับอกุศลเช่นในขณะเห็นไม่เรียกว่ากรรมนิยามแต่ถ้าชอบใจในการเห็นไม่ชอบใจในการเห็นขึ้นมาอันนี้เป็นกรรมนิยามนั่นดีถ้าปรุงแต่งในการชอบไม่ชอบหรือจะกระทําอะไรต่อการเห็น หรือไม่ทําอะไรต่อการเห็นไอ้กรรมริยามมันจะมาสอดแทรกในการกระทํากรรมลงในขณะที่การเห็นการได้ยินเป็นต้นอะไรนี้มองเห็นไหมมันไปเกี่ยวข้องกันกับจิตนิยามนี่แหละแต่มันเป็นจุดจุดหนึ่งแต่เป็นกลุ่มที่กุศลเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นอายกตัวอย่างเช่นในขณะที่เรากําลังฟังธรรมะอยู่แล้วจิตเราก็พิจารณาไปมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจในการฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสติขึ้นมาตอนเนี้ ในขณะนี้เป็นกรรมนิยามอยู่ไหมเป็นนะเออเป็นกระบวนการจิตกําลังทําหน้าที่ในการปรุงแต่รับอารมณ์นั้นด้วยรู้เรื่องนั้นด้วยและมีเจตนามีสัมพัธทธธรรมกําลังทํากรรมนั้นให้สมฤทธิ์ให้สําเร็จลงด้วยแต่ละขณะแต่ละขณะนี่กรรมนิยามสําเร็จเลยเป็นกรรมเลยไหมเป็นหนึ่งในจิตนิยามแต่แคบกว่าแคบกว่าจิตนิยาม แต่ให้ผลที่อลังการละมากพอมองเห็นไหมยากไหมเริ่มยากไหมเวลาฟังในเกิดความเข้าใจไมไม่เข้าใจก็มีเข้าใจก็มีก็คือเป็นเป็น ใช่จะเป็นเรื่องของเจียตจํานงากแต่ไม่ทุกครั้งที่จิตเกิดเช่นถ้าจิตเห็นในขณะนั้นก็ยังไม่เกิดกรรมนิยามยังไม่เกิดแต่เมื่อไปยินดีในการเห็นหรือยินร้ายในการเห็นเป็นกรรมนิยามใช่ก็เป็นกรรมนิยามกลุ่มโมหะเป็นอกุศลกรรม ผ่านๆไปฟังผ่านๆไปเดี๋ยวก็จบ น, นี่นะก็เป็นกรรมปัญญาเหมือนกันกรรมประเภทนี้ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นการสั่งสมกรรมปัญญาอีิวประเภทหนึ่งเนี่ยกระบวนการของเจตจำนงจะไม่เป็นโลกของเจตนาเจตจำนงการคิดปรุงแต่งจะคิดสร้างสรรก็ได้คิดทำลายก็ได้พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปที่สอดคล้องกันเสมอ เช่นกรรมดีมีผลดีกรรมไม่ดีมีผลไม่ดีตลอดเวลาใช่ไกรรมดีจิตดีเกิดขึ้นมาผลดีคุณภาพจิตที่ดีเกิดขึ้นมาบุคลิกภาพที่ดีเกิดมาได้รลับได้ยศสุขสรรเสริญมันจะตามมาตามกระบวนการของมันยังไงก็ว่าไนไปนี่เป็นกรรมดีผลดีใช่ไหมถ้ากรรมไม่ดีกระบวนการจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้น แล้วในขณะเดียวกันก็คุณภาพจิตที่แย่ๆเสียหายเกิดมาเป็นผลที่ไม่ดีตามมาบุคลิกภาพที่ไม่ดีตามมาได้รับสิ่งที่ไม่ดีตามมาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีตามมาผลจะตามมาตามดับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดตรงนี้กันนี่คือกรรมมณยามกําลังทํากิจอยู่จริงไหมพอหเห็นนี่อย่างนเนี๋ยนี้ในกระบวนการเปลี่ยนไปลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไหมเนี่ยสิ่งต่างๆตร ง, ง, ง, ง, งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใช่กรรมมณยามไหม ที่มีเสื่อมาปูมีเก้าอี้มาตั้งสิ่งต่างๆ่เหล่านี้ใช่เป็นผลของกรรมไหมเนี่ยผลของกรรมมนรยามเนี่ยเป็นผลของการกระทาผลของกรรมมนรยามเนี่ยกฎของกรรมผลของกรรมเป็นสิ่งที่นี่พอได้สิ่งเหล่านี้เบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มานั่งทํากิจกรรมกันต่อนี่กําลังทํากรรมมนรยามกันต่อ น, นั้นกรรมมารยามจึงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการของจิตที่มันเกิดดับสืบต่อช่วงไหนเกิดดับสืบต่อที่ไม่ใช่เป็นกรรมก็มี แต่ช่วงที่เป็นกรรมก็มีอยู่ในขณะที่เจตนามนมีอิทธิพลในการมีเจตจานงจงใจตั้งใจในการคิดปูงแต่งสร้างสรรหรือท ำ, าทำลายทั้งหลายนี้เป็นต้นเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้สําคัญมากเลยส่วนวนไหว้ผ้านี่เป็นกรรมนิยามไหมเป็นกุศลกรรมนิยามหรือเป็นอกุศลกรรมนิยามเป็นรูปแบบเป็นกุศลกรรมนิยามแต่สาระอาจจะมีอกุศลแทรกไหม โยโพภะกะวาอาถังสมายุงมกากัดปึ๊ดตอนนั้นจิตเป็นยังไงกรุณาจิตเกิดชื่นชมโอ้ยเขาก็ตัวเล็กก็นี้เดี๋ยวอกินไปนะกินไปนะกินแล้วขอให้มีความสุขกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงบุตรเลี้ยงอะไรคิดยังไงไหมหรือสะดุ้งเฮื่อกเลยมีมาเลเรียมาแล้วมั้งเีเป็นอากุศลกรรมนิยามหรือกุศลกรรมนิยาม โหแค่ยุงตัวเดียวนี่สามารถทำให้บาปเกิดได้พวกเราที่บาปเกิดได้ง่ายเนาะมีความสามารถอยู่กำลังสวดมนต์อยู่ถ้ามีแมลงสาบบินจับที่หวัวเป็นไง พอเห็นปั๊บสาธุคงอยากมาฟังทำอ ะ, อะไรเงรี้ยคิดงี้ไหมไม่คิดเงั้ยเลยพอเปิดรถขึ้นไปปั๊บมีมดขึ้นไปเต็มโอ้เขาก็อยากจะนั่งรถแล้วคิดงี้ยวอลอเลยลองคิดคิดคิดเลยเห็นไหมว่าเป็นตัว บางครั้งเนี่ยมันลืมตัวเลยเนี่นะลืมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเมื่ันนอนนอนอยู่เนี่ยไอเจ้าตุ๊กแกมันก็คานคานไม่ร้องที่อื่นไม่ร้องมาร้องตรงหัวเรานี่โอ้โหเออนึกได้ใจอะแล้วร้องกว่าจะหยุดเนี่ยหม่ร้องใหญ่เล ย, เยแล้วก็ต้องหาไปชายมาส่องให้มันไป <laughs> เขาคงมาไล่เรา <laughs> ใช่ไหม เขาที่เขาใช่ไหมเก็ห่วงของเขาไงแล้วก็ห่วงใช่ไหมเขาเกิดมัฉริยะนี่เขาอาวาสามัฉริยะในเจ้าเนี้หวงที่อยู่ห่วงถิ่นห่วงที่อยู่ยใช่ไหมบางทีก็เป็นตัวอะไรไม่รู้มันวิ่งคมคมคม ค, มคมอยู่บรลังคาเนี่ยแหละหนูใหญ่เลยมั้งตัวน่าจะใหญ่มากเลยถ้าแมวซะก็ไม่รู้เลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยวิ่งดิลังคาไหวเลยอะ เพิ่งปุ๊บๆๆกระโดดคลอปปุ๊บๆกระโดดคลอปอยู่ดดนั่นแหละโอ้โหเมย์ตัวใหญ่ถ้าเป็นคนแถวชาวบ้านก็กินเลยนะ เ อ, อหนูอย่างนี้ก็ชอบใจเขาหาอะไรมาดักตัวยางใหญ่ใช่นี่ก็มาอย่างนี้เขาไม่มีใครทำร้ายเขาก็โอ้โห و, ปลอดภัยโอ้โหตัวใหญ่ขนยังแข็งเลยอ่ะขนยังแข็งแรงเลยเป็นแผงขึ้นมาเลย อ้าตอนนี้เขาเรียกกรรมมณียามนิยามสุดท้ายคือธรรมนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมดาที่เรียกสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเนี่ยตามธรรมดาคนยุคนี้มีายุคไขน้อยประมาณเท่าไหร่75ปีเป็นอายุไข่อะเป็นต้นนี้เป็นธรรมนียามหมดเลยนะนี่เป็นกฎ พระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นกฎหรือความจริงนะธรรมนิยามคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นกฎธรรมนิยามหมดเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะที่เป็นธรรมนิยามความคิดของเราโดยมากเราจะไปค้านในในอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามเนี่ยสี่นิยามเนี่ยมันประชุมรวมกันกับธรรมนิยามธรรมนิยามเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นกฎความจริง ทุกอย่างมาประชุมรวมกันตรงนี้หมดดังนั้นกระแสความคิดที่เกิดดับสืบต่อทั้งหลายเป็นธรรมนิยามหมดเลยเนี่ยกระแสของรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหลายกฎความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นมารวมอยู่ในธรรมนิยามหมดเลยพระธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นไหมหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นกฎหรือความจริงหลักนี้ก็มีอยู่แล้วไม่ขึ้นตรงต่อการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระเจ้ามาค้นพบนะความจริงนี้ก็นํามาเปิดเผยนํามาแสดงนํามาบอกกล่าวต่างหากเข้าใจอยังในตรงนี้นี่แหละมนุษย์มื่จะค้านความจริงตรงเนี้พอไปเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมามนุษย์ก็ตกใจนะทีนี้ถ้าเข้าใจกฎธรรมดารามกฎความจริงตรงนี้มนุษย์ก็เอาประโยชน์จากมันยังไงก็ว่าไปนั่นก็เรื่องของปัญญาของมนุษย์อีกทีนึงใช่ไหมอย่างอุตตุมิยามเนี่ย กดความจริงธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันเนมันก็มารวมอยู่ในธรรมนิยามเนี่ยมนุษย์สา ม, มารถเอาประโยชน์จากมันได้โดยการมาสร้างสถานที่ปลูกสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเหล่าเนี้ยเพื่อให้คนมาเที่ยวมาดูทั้งหลายเหล่านี้ก็เอาประโยชน์จากมันได้เพื่อให้คนมาหามาอยู่ในสถานที่เหล่านี้ได้อากาศที่ดีบริสุทธิ์ได้อาหารที่ดีบริสุทธิ์ได้ยาบทที่ดีได้ที่นอนที่ดีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะมาจัดการกับนิยามเหล่านี้อีกทีหนึ่งเอาประโยชน์เพื่อจะได้โทษจากมันก็ว่าเป็นไปใช่ม้พจจะเขาใ อย่างนี้เป็นต้นนี่คือศักยภาพของมนุษย์คือความสามารถของมนุษย์ที่จะเอาความจริงของสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นประโยชน์ก็ได้นะมาทำลายก็ได้นั่นก็ว่ากันไปเริ่มเห็นนี่ยังแต่โดยมากความคิดของพวกเราโดยมากเราจะค้านไหมค้านกดความจริงเช่นเกิดแก่เจ็บตายเราคงเป็นธรรมดาก็จริงแต่เราก็ไม่อยากมันเป็นไปใช่มเราไปเห็นความจริงตรงนี้แล้วเราทุกใจไหม ถ้าเราคิดฝืนมันทุกนะเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไตรลักษณ์เนี่ยกดไตรลักษณ์จะถามจริงๆแล้วมันเป็นคุณหรือเป็นโทษอันนี้จังไม่เที่ยงทุกที่มันสภาพที่บีบคั้นขัดแย้งเนี่ยทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนาตตาที่มันเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นคุณกับมนุษย์หรือเป็นโทษกับมนุษย์ เป็นคนเลยแต่ก่อนในคนคนนี้ดีกับเราต่อมาเขาก็มาเกลียดเราเนี่ยเป็นคนเลยอ <laughs> อแต่บางมันอยู่ที่คนด้วยที่จะพูดต่อนเนี่ย เริ่มจะเริ่มจะสว่างขึ้นแล้วเนี่ยที่มันเป็นคุณก็ต่อเมื่อมนุษย์เนี่ยเกิดปัญญาไปเอาประโยชน์จากมันแล้วมันจะเป็นโทษมากถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาก็ไปเห็นความจริงนั้นก็ยอมจมอยู่อ่ะนั่นมันกลายเป็นอ น, นิจจังขาลงเช่นพอเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอ น, นิจจังขาลงก็คือทุกข์เครียดท้อเศร้าเหงาหงอย แล้วก็กลายเป็นคนกินเหล้าเมายาต์ประทุษสลายตนเองกลายเป็นคนเสียคนไปเนี่ยนะทําบาปประพฤกรรมไปต่อไปไม่ดีกับใครแล้วต่อไปจะไม่ทําสิ่งดีแล้วทําดีแล้วมันไม่ได้ดีทั้งหลายลเหล่านี้ยมันก็กลายเป็นประทุษร้ายตวเองไปอันนี้เป็นอ น, นิจจังเป็นผลเสียไหมแล้วคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เยอะไหมเนี่ยนี่ไงด้วยการที่ปัญญาไม่ถึงไม่สามารถเอาประโยชน์จากอ น, นิจจังได้เป็นอย่างนี้แต่บางคนเนี่ย สามารถเอาประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากอนิจังได้พอเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละใช่ไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกระแสะชีวิตของกฎความจริงของกฎธรรมนิยามทั้งหลายเหล่านี้เราก็เลยมาเปลี่ยนกระแสะกระบวนการความคิดเลยเนี่ยจากศรัทธาที่ยังไม่ในพระรันาตนตรัยไม่แข็งแรงก็เพิ่มศรัทธาขึ้นมาความเพียรที่ไม่แข็งแรงก็เพิ่มความเพียรสติที่อ่อนแอก็เพิ่มสติสมาธิที่มีแข็งแรงก็เพิ่ม ปัญญาที่ไม่แข็งแรงก็เพิ่มปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาพัฒนาเป็นอนิจังขาขึ้นขึ้นของฝ่ายคุณธรรมไปเลยพอกเห็นไหมเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงนี้และไตรลักษณ์นี่แหละถ้าไม่มีไตรลักษณ์เนี่ยการบรรลุสัมมาสัมพธิยาณจะมีได้ไหมเห็นไหมจากที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยจากมนุษย์ที่ไม่มีบา ร, รมีก็เริ่มมาผูกบา ร, รมีไว้ในตน จากที่มีบารมีน้อยๆบารมีอ่อนๆก็เพิ่มให้แข็งแรงขึ้นจากบารมีที่แข็งแรงขึ้นจากยังไม่เต็มก็ทำให้เต็มเมื่อบารมีนั้นเต็มเปลี่ยมแล้วก็เลาะอกาสได้จังหวะอกาศก็มาตัดรูปเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมมาจากความเปลี่ยนแปลงขาขึ้นหมดเลยเนี่ยเนี่ยการให้เหตุปัจจัยที่ถูกเห็นไหมก็ได้ประโยชน์จากการบําเพ็ญบารมีขาขึ้นมาผู้กลายเป็นสัมมาสัมพุทธะขึ้นมากลายเป็นสาวกพุทธะกันมากลายเป็นอนุพุทธะขึ้นมาเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้กระบวนการขับเคลื่อนของธรมมจกักรการหมุนกงล้อแห่งธรมมจกักรก็เลยหมุนไปทั่วทั่วโลกประโยชน์ก็เลยมาตกกับพวกเราตรงนี้เนี่ยอา น, นิสงส์ของอ น, นิจจังขาขึ้นขึ้นของฝ่ายคุณธรรมเป็นอย่างนี้พอมองเห็นไหมนี่พวกเราเพอได้อย่างนี้ปุ๊บเอาละเราจะใช้กฎธรรมดิยามเห็นความจริงตรงนี้แหละมาทําอนิจจังขาขึ้นไดเลยตอนนี้ ฝ่ายรูปธรรมของพวกเรามันอยู่ในกฎข้อนี่ยังขาขึ้นหรือขาลงรูปธรรมอ่ะมันขาขึ้นได้ยังไงมันแย่ลงเลยเน่ตอนนี้ออกกําลังกายกันแทบตายยังได้แค่เนี้ใช่ไหมเดินขนาดพยายามออกแล้วออกอีกยืดเส้นแล้วยืดเส้นอีกโยคะแล้วโยคะอีกเดินขึ้นเขาแล้วเดินขึ้นเขาอีกได้แค่เนี้อยับไปตรงไหนก็โอ้โหมันชักไม่ค่อยได้เรื่องแล้วเนี่ย มีแต่กระดูกเต็มไปหมดเห็นไหมแล้วทีนี้ไอ้นามมาทำทาไปเอาไปตามตามรูปธรรมนี่ยุ่งเลยเนะยเนะี่ยกายป่วยใจก็ป่วยอาลงแย่แล้วเราต่อไปนี่ลำบากเนี่ยเนี่ยออกกำลังกายก็ไหวต่อไปโรคภัยแค่เจ็บก็รุมแล้วเราจะอยู่ยังไงชีวิต <c oughs> คิดไปก็ท้อใช่นไหมแล้วจะหวางพึ่งใครเนะี่ยพึ่งสามีสามีก็แก่เดี๋ยวก็ป่วย เพิ่งกกรู้ก็ไม่ได้เรืองสักโค้ดแ่ยไงเนยะสมมเนะี่ยเจะเอายังไงชีวิตเนี่ยจะพึ่งทัพย์ไอ้ทรัพมันก็รักษาได้แค่นี้แหละชีวิตเนี่ยไม่เห็นมันได้กันเนี้ยเนี่ยเราพยายามยืดทุกจุดของร่างกายมันก็ได้เต็มที่แค่นี้นะมองไปที่ไหนหาที่พึ่งไม่เจอเป็นนั่งเศร้าโศกใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเป็นอนันยงังไอ้รูปธรรมก็เป็นอันิี้ยังขาลงนามธรรมาก็เป็นอันิี้ังขาลงแย่ลงสุดลงสุดลง ไม่ได้ประโยชน์อือถ้าคนได้ประโยชน์เอาประโยชน์จากอ น, นิจจังขาลงของรูปธรรมเลยแตนี้เอาละเราจะใช้อ น, นิจจังขาลงของรูปธรรมที่มันแย่ลงนี่แหละเร่งซะเลยในการเจริญกศรรุศลระดอมความเพียรถึงทำที่ยังไม่ถึงบรรลุทำที่ยังได้ไม่บรรลุทำให้แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเอาละสิแต่เนี้ยอริยมรรคถึงห ร, นะรือยังยังอริยผลบรรลุหรือยังพระนิพพา น, านทําให้แจ้งหรือยัง เอาแล้วตอนนี้เราตั้งหลักถูกเลยตอนนี้เราจะต้องเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าให้ได้เราจะต้องเข้าถึงความงามของธรรมะสามระดับเบื้องต้นทรากลางที่สุดให้ได้แล้วจะออกจากความเป็นบุตรชนเข้าสู่ความเป็นระยะชนตามพระุทธเจ้าแต่โอ้ฝึกใหญ่เลยตอนี้ได้อนนี้จังขาขึ้นไฟนํานมาทำํำมองเห็นไหมทั้งศรัทธาก็ขาขึ้นความเพียรก็ขาขึ้นสติก็ขาขึ้นสมาธิปัญญาก็ขาขึ้นโอ้ขึ้นใหญ่เพราะเราให้อาหาร แต่เราที่ไปคิดอีกมุมหนึ่งไปให้อาหารของกิเลสมันก็เป็นอันนี้จงังมือนกันขาลงศรัทธาเริ่มน้อยลงความเพียร น, น้อยลงสติก็น้อยลงสมาธิก็น้อยลงปัญญาก็น้อยลงน้อยลงจนไม่มีกิเลสก็เพิ่มเพิ่มขึ้นก็เป็นอันนี้จังขาลงฝ่ายกุศลแต่เป็นอันนี้จังขาขึ้นฝ่ายบาปใช่ไหมเราจะเอาประโยชน์เอาตรงไหนให้ประโยชน์มันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกประโยชน์ของไตรลักษ คนบางค น, นเนี่ยอาศัยไตรักษ์เป็นสัมมาสัมพุทธะก็มีเป็นปัจเจกพุทธะก็มีเสน็จสาวกสาวกพุทธะก็มีอันนี้บางคนเอาประโยชน์จากอนิจจังเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นจุลเศรษฐีมชิมเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้จากไตรักษ์เท่านั้นแหละแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่เอาประโยชน์จากมันไม่ได้จากที่รวยๆอยู่เนี่ยก็กลายเป็นคนยากจนก็ได้เนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากอนิจจังเสียหายเลยจากอนิจจังนี่นะจากที่ สติปัญญาดีๆก็แย่ลงแย่ลงจากการที่ไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่พอยังไม่ทําความเสียหายก็อีกไปเลยตรเนี้นั้นพระเทวทัตก็ได้โทษก็ษกเพราะอานิจังนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าก็เพราะอานิจังนั้นอานิจังเป็นต้งคุณและโทษเลยนะใช่ไหมละ่ะอยู่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วจะเอาประโยชน์กับมันได้ได้ได้ประโยชน์จากมันหรือเปล่านี่คือกฎนิยามห้าอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามและธรรมนิยาม เคยสวดมนต์ในบทธรมรมนิยามหมไม่เคยเลยที่บอกว่าธรมรมนิยามตาสัพเพสังคารานิจจติในบทสวดมนต์ก็มีมั้งบทธรมรมนิยามมีใช่ไหมมีเออบทเออนเ่เลเล่มนั้นจะมีนบทธรมรมนิยามมีไหมมีน่าจะมีนะนี่ยแต่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยจะกด หลักความจริงนี้ก็มีอยู่อย่างเนี้ยเป็นกฎอตะเอ อ, เอนั่นแหละลองอ่านให้ฟังที่อ่านบาลีฟังที่<ม>ได้บนทนั้นก็ได้แต่ว่ายังไม่ตรงตัวเลยทีเดียวใช่แน่ธรรมริยามาสูตรเ อ, <ม>เออเอ่นนหละ รอนะคบทธรรมนิยามเาบทธรรมนิยามบทเดียวนั่นแหละเป็นบทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นกดหรือความจริงนี้ก็มีอยู่เนี่ยนะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เอาย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วก็พูดถึงในเรื่องของสังวิธาน ก, กิจยะทั้งนี้คงไม่เจาะลงลึกที่แรกว่าจะเจาะลงกลัวจะถ้าเจาะลงก็จะเนี่ย คือการจัดแจงปุงแต่งให้การงานสําเร็จลงก็หมายความว่าเจตนาเจตสิกเนี่ยตัวเจตจานงตัวเนี้ยมีหน้าที่ในการจัดแจงกระตุ้นเตือนให้สัมยุท ธ, ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ทำกิจของตนเนี่ยไม่ย่อหย่อนใช่ไหมในการงานสําเร็จไปด้วยการเรียบร้อยไม่ให้ค้างค้างด้วยก็คือกระตุ้นสัมยุท ธ, ธรรมนี่นแหละให้มุ่งมั่นในการรับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี่แหละให้เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันไม่ไม่ไม่กั้มกึ่ไม่ไมไมไม ไม่เลื่อมไม่เหลื่อมล้ําซึ่งกันและกันเนี่ยทีนี้ให้สําเร็จจิตก่อนเวลากุศลจิตเกิดขึ้นปุ๊บอกุศลจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีขนาเกิดขนาตั้งอยู่แล้วก็ดับก่อนที่จะดับลงไปเนี่ยให้กิตนั้นสําเร็จลง ตัวสั่งวิฐานกนาิจจะต้องทํากิจให้สําเร็จลงก็คือว่าให้ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิติดดดดดนติมันเทการให้กลุ่มคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยทำกิจของตอนเองให้สำเร็จลงก่อนที่จะมีการดับลงขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่เนี่ยต้องทําเร็วมากปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะให้ให้กระตุน้นเตือนให้สำยุทธธรรมนั้นทำกิจของตอนเองเอภาษาทําที่รับอารมณ์ให้สมบูรณ์นะเวทนาก็สบายสวยรสของอารมณ์เนี่ยเนี่ย สัญญาก็จำอารมณ์วิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์ทั้งหลายโดยนี้เป็นต้นเนี่ยตัวเจตนาก็ไปกระตุ้นให้ทํากิจให้เสร็จแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะก่อนที่ขนาดจิตนั้นจะดับลงดับลงดับลงเขาก็จะปรุงแต่งอย่างนี้ยเหมือนหัวหน้าชัดๆเลยใช่ไหมหัวหน้าในการที่จะนําลูกน้องให้ทําการงานก็ต้องคอยทําให้งานนั้นแต่ละวันแต่ละวันวนั้นสำลิดลงสลําเร็จลงใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นในสังวิธานะจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ส่วนพีชานิธานเนี่ยนักกิจเด็กเขาทำหน้าที่เก็บเชื้อของกรรมไว้อรอโอกาสส่งผลเวลาเจตนาเกิดขึ้นมานอกจากจะจัดแจงและกระตุ้นเตือนทํากิจนะให้สำเร็จผลแล้วไม่พอเขายังมีหน้าที่ในการที่จะไม่ให้สูญหายให้กรรมนั้นไม่ให้สูญหายก็คือให้เชื้อที่เป็นผลของอาคุสรกรรมและเชื้อที่เป็นผลของโลกยาคุศรกรรมไว ไม่สูญไปไหนไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพอย่างยกตัวอย่างเช่นเช่นไปทำบาปไว้เมื่อห้าปีที่แล้วเขายังไม่มีโอกาสส่งผลเขาก็เก็บเชื้อนั้นไว้พอมีโอกาสมาส่งผลนี่นะเขาส่งผลเลยเนี่ยห้าปีสิบปีก็ไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพยี่สิบปีร้อยปีก็ไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพ พันปีก็ไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพล้านปีก็ไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพเป็นกลับกับก็ไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพโอ้โหถ้าเสื่อมเสียคุณภาพยุ่งเลยนะยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบรมเพลนบารมีอ่ะเป็นกุศลกรรมใช่ไหมพระเจ้าบรมเพ็นมาตั้งแต่เริ่มต้นมาบรเพ็นบรมเพ็นมาเฮ้ยที่ทำมานานๆมันเสื่อมหมดแล้วต้องทําใหม่เรื่อยเลยก็จะการจะบรรลุสัมมาสัมพุิธญาณไม่เกิดนะถ้าเสื่อมอ่ะมันไม่เสื่อมไหมไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพ ผ่านผ่านผ่านมาก็ยังสะสมเก็บสืบต่อสืบต่อมาพอได้จังหวะได้โอกาสปุ๊บให้ผลสัมมาสัมพธิยานเกิดขึ้นเลยเนี่ยไม่เสื่อมเสียจริงๆอ๋อเขาตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลย เขาทำทั้งสังวิธานิกิจด้วยทำทั้งพีชานิทานิกิจด้วยนะไม่ได้ไปแยกอย่างนั้นเอาตัวเดียวกันเลยหนึ่งทำกรรมให้สําเร็จผลลงไม่พอสองนี่หมายถึงโลกเยากุศลกรรมและอกุศลกรรมนะทั้งกุศลและอกุศลนะนี่และในขณะเดียวกันทำหน้าที่เก็บเชื้อด้วยเวลาบาปจะให้ผลเหมือนกันสมมติโอ้โหเราปลอดภัยแล้วมั้งเนี่ยเราไปทําบาปเมื่อหลายร้อยชาติที่แล้วตามไม่ทันแน่อย่าเพ้อ น, นั่น <laughs> มันไม่เคยเสื่อมคุณภาพเลยนะบาปนั้นเนี่ย ตามมาให้ผลเรียบร้อยเลยนีอ้าวอย่างยกตัวอย่าง เ, างเช่นอย่างที่บอกว่าเวลาไปทําบาปแล้วบาปให้ผลใช่ไหมถือว่าเกิดมาเป็นแพะโดนตัดเคยไปตัดคอแพะมันโดนตัดห้าร้อยชาติอมืมาก็โดนตัดโดนตัดโดนตัดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชาติเพราะชาติที่ห้าร้อยไอ้เจ้าแพะตัวนี้เราลึกชาติได้เนี่ยเห็นไหม ูนู้นน่ยมันต้องห้าร้อยชาติมาแล้วใช่ไหมพอมาชาติสุดท้ายผมหมดแล้วงานนี้กูสบายแล้ววะพอมามาถึงไอ้เจ้านี้ไอ้เจ้าเนี้ยมันกําลังจะทําวิธีบูชายันเนี่ยมันฆ่าแพ้ตัวไหนมาก็ไม่พอมาเจอตัวนี้แพ้ตัวนี้นหัวร้อเลยมันลึกได้กูศ่มันละบาปมันเริ่มหมดกําลังไงกูส่วเริ่มให้ผลแล้วก็ร้องไห้เขาก็ถามเฮ้ยนั้นพูดได้แพ้ตัวเนี้ยหัวร้อทําไม หมดจะหมดแล้วนี่ก็ชาสุดท้ายแล้วมีชาที่ห้าร้อยต่อไปจะไม่ต้องไปเกิดมันแพ้ให้กบูชายันอีกแล้วลองร้องไห้ทําไมสงสารมึง <c oughs> มึงสวยเนี่ยไงมึตงตัดคอกูต้องเยอะลมึงจะตัดกูอีกนี่มันร้องไห้ <c oughs> แพ้หัวร้อยแล้วก็ร้องไห้ <c oughs> มองออกไปเมียงร้องไห้ อีเจนี่โอ้โหสะดุ้งเลยไม่กล้าตัดเลยแพ้นี่หัวล้อดเดินเดินเดินสบายแล้วแล้วเกิดฝนก็ไม่ตกอะไรฟ้าครึ้มมาฟ้าผ่าเปรี้ยงเขสะเก็ดหินเป็นแบบเป็นหมืนมีดเลยวิ่งปุ๊บตัดคอแพ้ขาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิคุณภาพของอากุรรกรรมไม่เคยเสื่อมเลยห้าร้อยชาติไม่เคยเสื่อมเลย เข้าใจไหมคำเก็บมันเก็บมันเก็บไว้อย่างนี้มันเก็บไว้อย่างดีเลยนั้นจะทําบาปลึกบุญทั้งหลายกุศลเนื้อกุศลทั้งหลายมันมีคุณภาพของมันที่เขาไปเก็บเอยีนเก็บไอ้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มีเครื่องเก็บอย่างดียังไม่สู้ไอ้ตัวตัวเก็บกรรมไอ้พีชาติทิธานกิจมันเก็บเชื้อไว้อย่างดีนั้นกุศลเนี่ยทําไงอย่าไปคิดว่าไม่มีผลมันเก็บเรียบร้อยแล้วมันดีตรงเนี้ย เราไม่ต้องไปตั้งใจเก็บด้วยแค่เราตั้งใจทำให้มันดีแค่เนี้ยถือว่าเก็บเรียบร้อยไปแล้วสั่งสมไว้เยอะๆเก็บไว้ได้โอกาสเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่มรักผลได้แน่นอนแต่เสียดายพวกเรามันยังไม่มีปัญญาประเภทหนึ่งเก็บได้มากหรือยังแล้วขึ้นมาเท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้เขาใหญ่ไหมถ้ามีปัญญาตรงนี้ขึ้นมามันจะตื่นเต้นมาก มันร้0ยอตรงใหเก็บคิดว่าเก็บได้ถึงสิบเปอร์ซนี่ยังถึงยังถึงยังสิบเอร์ซนคิดว่าถึงแล้วนะนั้นมันจะไม่ลดไม่ลดแต่ว่ามันจะยืดเวลาเนะบางทีถ้าเราไปเผลอทำบาปมันยืดเวลามันรอจังหวะไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นนะนางปตาจลาเนี่ย ตัวเชื้อของกุศลเนี่ยเต็มแล้วแต่นางประมาทนี่นั่นเป็นหนีตามคนใช้เนี่ยเนี่เนี่ยเป็นประโยควิบัติไปเพี้ยนผิดประกอบประกอบอุปกรณ์กรรมผิดหนีไปกับคนใช้ซะ น, นี่โอ้โหนี่ชาสุดท้ายจะได้บรรลุแท้แท้นะถ้าไม่ต้องหนีก็ได้บรรลุแน่นอนทนหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าไปเห็นไอ้เจ้าเนี้ยที่เคยสั่งสมกุศลมาด้วยกันเคยเกี่ยวข้องกันมาเนี่ยนะ เห็นแล้วมันทนไม่ไหวเคยไปตั้งจิตไว้มันรักมากหนีตามเขาไปซะนี่โอ้โหพบาปมันให้ผลแต่เนี้ยไปคลอดลูกคนที่หนึ่งคิดถึงบ้านตั้งคันคนที่สองมาคลอดในป่าต่อมาสามีโดนงู ก, กัดตายต้องอุ้มลูกแดงๆไม่มีผ้าไม่มีผ้าหอ่อฝนตกทั้งคืนพายุทั้งคืนกอดลูกอยู่อย่างนั้นน่ะปุ้มลูกแดงๆมาจูงลูกคนโตมาเนี่ย ผลตกข้ามน้ำน้ำจะแค่คอนะให้ลูกคนโตอยู่ฝั่งชูลูกค้บนหัวข้ามไปเงนะี้นะเอาลูกแดงๆไปวางไว้นบนใบตองไม้ใบ ไ, ไม้แล้วก็กลับมาเงี้ยเหวี่ยวก็นึกว่าเนื้อที่มันก็เฉี่ยวลูกอีกไปถึงกลางน้ำเนี่ยก็ร้องเรียกให้เหี่ยวปล่อยลูกตัวเองลูกก็นึกว่าเรียกก็โดดลงน้ำตามแม่เนี่ยก็ตายไปหมดเลยสามคนสามีก็ตายลูกคนโตลูกคนเลเ็กกระเซาอกระเซิงไปเลยตอนเนี้ย เอาพ่อแม่เป็นมหมาเศรษฐีในเมืองนั้นโดนพายุตายทั้งตระกูลนี่พี่ชายก็ตายหมดไหมเนี่ยเนี่ยดูที่เวลาอากุศรลกรรมมันให้ผลด้วยการที่เป็นประโยคน์าพิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบาปเป็นแทกขนาดนั้นนะไปเจอพระเจ้าได้กำลังของสติขึ้นมาก็หายจากวิกลจริตนั้ น, นฟังธรรมอยู่พระเจ้าบวชแล้วต่อมาได้บรรลุนี่นางปตจลานี่เป็นหนึ่งใน สาวิกาที่มีกําลังกุศลสั่งสมมาเต็มแล้วเนะเนี่ยเกือบพลาดไปถ้าไม่เจอพุทธเจ้าก็พลาดพลาดยาวเลยนะอย่าลืมนะพลาดเนะี่ยพลาดยาวเลยนะเพราะเป็นพุทธเวไน ย, ยที่ดูต้องฟังทำจากพุทธเจ้าเท่านั้นนะฟังจากคนอื่นก็ไม่ได้บรรลุด้วยต้องลากไปอีกองคหนึ่งต้องมาพร้อมพเพอเอจะพร้อมพวกเราเนี่ยนะี่จะองค์ต่อไปเนี่ยไอ้ที่หลุดอย่างเงี้ยไม่ใช่น้อย ที่รู้จากพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่น้อยเพราะเป็นกลุ่มพุทธเวไในยอย่างเช่นเศรษฐีอ่ะเห็นไหมที่ว่าเป็นเศรษฐีสองตายายตาบอดนี่ก็เป็นกลุ่มปัจฉิมพระวิกรัติย์แต่ที่จะเกิดในภพสุดท้ายไม่ใช่จะจะต้องได้ตัดสู้เสมอไปนะืถ้าทําอะไรพลาดพลาดเลยเนะื้อถ้าประโยคาวิบัติพลาดเลยนะืเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการการตัดสินใจหรือความคิดอ่านทั้งหลายอะไรนี้ี่ยงั้นกระบวนการชีวิตของเราทุกๆขนาจิตเนี่ย พลาดทำพลาดมาอะไรปุ๊บบาปแทรกทันทีเพราะบาปแทกไอ้กุศลเหล่านั้นไม่ได้เสริอมคุณภาพหรอกแต่ไม่มีโอกาสเช่นถ้าพระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วจะมีโอกาสฟั ง, ฟงอยู่พระพุทธเจ้าไหมไม่มีฟังจากสาวกบรรลุไม่ได้เพราะตนเองอัธยาศัยเป็นพวกกลุ่มพุทธเวไนต้องฟังอยู่พระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างแม่ของภาษาลิบุตรเนี่ยดีมากเลยที่เป็นสาวกเวไนแล้วไปตั้งอัธยาศัยต้องฟังธรรมะจากลูกเท่านั้นโอ้โหเกือบซวยอีกเหมือนกั น, นในวันสุดท้ายที่ลูกจะตายเลยเห็นไหม ที่ ท, ท, ที่ภาษาที่บุตรจะปริทธิพานเลยถึงถึงแสดงธรรมพอแสดงธรรมเสร็จก็บอกแม่กลับไปแล้วจะตายแล้วแล้วก็นิพานเลยชักกีวารปิดหน้าแล้นิพานเลยนอนเนี่ยท่านทำเกณฑ์ท่านเสร็จแล้วท่านสลดใจไงท่านโอ้โหแสดงธรรมสมสจิตตสูตรนี่โอ้โหคนบรรลุกันตั้งสิบแปดกฏคนบรรลุกันไม่รู้ต่ออะไร แล้บรรลุ ก, กันเป็นพระอรหันต์นับไม่ตั้งร้อยแปดสิบก๊าศได้เป็นพระนาคานับไม่ได้เลยอะโอ้โหแต่โปรดแม่คนเดียวไม่ไหวไม่ได้ท่านสลดใจมากโอ้โหแม่มีลูกเป็นพระอรหันต์ตั้งเจ็ดคนโปรดไม่ได้เกือบตายไปนี่นี่ฟังแล้วน่าสลดใจนะอย่างนี้นี่ขนาดลูกนแต่ว่าเห็นไหมลูกลูกเอาอยู่ จากการมีลูกดีเป็นอย่างนี้ปาถนาไว้ถ้ามีลูกขอให้ลูกเป็นพระสาน <c oughs> ท้องเราเนี่ยขอให้ท้อคนมีบุญมาเกิดเท่านั้นมีคิดอย่างนั้นนะนะถ้าจะมาเป็นที่ปฏิสันทีก็ขอให้คนมีบุญเพรถ้าไม่เกิดเขาไม่ลืมเรานะก่อนที่เคยเป็นแม่ของพวกบริษัทสังเกตด้วยตีเคยเป็นพ่อของบริษัทเนี่ยของพ่อแม่พุทธญาติที่ตั้งพันห้าร้อยอัตภาพห้าร้อยชาติที่เคยเป็ น, นพอเห็นปุ๊บ ลืมตัวในะลูกเลยเรียกวรฒิเจ้าลูกอยากพ่ออยากแม่ไปทำไมไม่มาทาัดีเนี่ยวิเจ้าปวดบำรุหมดเราไม่ได้เคยสร้างอัธยาศัยตรงนี้เลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พอมองเห็นไม่ว่าตัวกรรมที่การเก็บเชื้อกรรมเนี่ยไม่ไม่ได้เสื่อมคุณภาพเลย <c oughs> แต่บางทีเห็นไหมว่าสหัสกันมากเลย เวลาไ ป, ประโยคะผิดปุ๊บเหมือนนางกุลทนเกษีอะนางกุลทนเกสีเนี่ยเป็นลูกที่ดาของเศรษฐีอยู่ดีๆเนี่ยพอเห็นไอ้เจ้าเขาจับโจรที่จะไปฆ่ามองมาทั้งหน้าต่างล้มลงเลยหัวใจจะขาดไม่ไหวบอกแม่ถ้าไม่ได้ชายคนนี้มาเป็นสามีตายดีกว่า <c oughs> ขนาดนั้นเลยระโยคะดูสิทนไม่ไหวแล้วที่สุดจริงๆไง พอได้มาแล้วเนี่ยสายมีลวงไปฆ่ามันอึดอัดมันผู้ชายมันไม่รักเขาเคยเป็นโจรมาทั้งชีวิตเอาเขามากักไว้อย่างนี้เขาอึดอัดไหมเขาอึดอัดมากเขาก็เลยวางแผนเนี่ยฆ่ายันนี้ทิ้งซะเลยนี่นั่นแหละให้ภรรยาหลอกภรรยาให้แต่งตัวไปเอาทรัพย์ไปเยอะที่สุดบอกจะไปบูชาเจ้าแม่กาลี พอไปถึงที่นั่นก็เลยไปบอกความจริงว่าฉันอยากจริงๆฉันลวงเธอมาฆ่าช่วงนี้มันปุ๊บคิดกลับเลยว่าเอ้ยบอกโ oh, อ oh, oh, ้โหเรานี่ทท่มเทกับผู้ชายคนนี้มาทั้งชีวิตนี่ทำไงเอาตัวรอดก็คิดเลยบอกอยังไงฉันจะตายแล้วขอราบูชาพี่หน่อยอให้พี่ยืนยืนนะยืนหลับตาก็ได้นะขอราถวาย ตายไม่ว่าหรอกกะลำวนวนพอเย็นนี้เผือ่อผักตกมาผาตายเลยกระเซืร์กระเ ซ, ก, ะเซกลับบ้านไม่ได้แล้วแล้วฆ่าคนตายแล้วนเนี่ยไปไปมาก็ไปอยู่ในสำนักของบริพาชกไปบวชอยู่ในสำนักของสันชัยบริพาชกนางคุณทนเกสีเนี่ยเก่งมากเป็นนักบวชหญิงโตวาทะกับคนทั้งประเทศเลย เันเวลาไปปักไม้ไว้ที่ไหนเนี่ยไม่มีใครกล้าถอดเลยถ้าใครถอดเนี่ยจะต้องมาโต ว, วาา่าถ้าแพ้ต้องเป็นธาตเธอต้องเป็นที่ข้าเป็นธาตเธอตลอดชีวิตภาษาลิบุตมาบินทาบาดเห็นว่าใครปักไม้อยูอย่อย่าไปยุ่งนี่ไม้ของนางคุณทนเกษรนะึงเก่งมากเก่งยังไงบอกถ้าใครไปถอดเนี่ยต้องโต ว, วาา่าถ้ากับเธอถ้าแพ้เถอต้องเป็นาปาธาตภาษาบุตรงั้นถอดออกถอดทิ้งเล่นกับภาษาลิบุตรต้ถอดทิ้ง <laughs> โอ้นางขดมันมาเจอเรียบร้อยภาษาริบุทให้ถามมันถามร้อยข้อถามภาษาริบุทเจ้าภาษาริวุทเป็นรุ่นพี่เคยอยู่กับสัญชัยมา่ก่อนเรียนจบมาหมดแล้ว <c oughs> เรียบร้อยภาษาลิบุทถามข้อเดียวตอบไม่ได้บอกจะขอเป็นทานภาษาริบุท บ, บอ ก, บอกพระไม่รับไม่รับโยมให้ไปหานางภิกษุณีลับบวช ได้บรรลุเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่เจอภาษาริบุตรยงอย่างนี้นี่ถ้าไม่เจอภาษาลิบุดรดูนี่นไม่ว่ากระบวนการเวลามันประโยคะผิดขึ้นมาเนี่ยผิดเลยเนียเพราะกลุ่มเหล่านี้ไม่มีไม่มีกําลังของโยนิสโสมนัิการแข็งแรงเอง เ, เพราะเป็นกลุ่มกลุ่มพุทธเวไนสาวกเวไนต้องอาศัยปรัโตโตคสะอาศัยปัจจัยภายนอกกระตุน้นเตือน พวกเราเป็นกลุ่มนี้ฉะนั้นการอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็อาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นเตือนให้เกิดกําลังของกุศลนี่สำคัญมากถ้าได้อะไรก็ต้องแ ก, ก้ต้องการแลกต้องการแลแต่โดยส่วนใหญ่สังเกตดูที่เรามักจะเป็นแลกกับที่จะได้อกุศลยังให้บาปให้ผลแต่เวลาเจอสิ่งดีๆเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะหมดเลยเคยสังเกต นันตรงเนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ว่าใครที่จะสามารถกระตุ้นเตือนให้กุศลเราเกิดได้นะตอนนั้นไปหกอันนั้นเพื่อความจเจริญง ก, ออกงามในกุศลของเราท่านทั้งหลายวันนี้ว่าจะขึ้นเจตนาหกไม่ทันอาจจะไว้ตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยในะเรื่องเจตนาสมควรเก่วเวลาอุทิศกุศลกันสักครั้งพอามันสี่โมงึงเลยนะ